การปฏิบัติที่แรกถ้าจะว่าในเรื่องข้อวัดของลหลวงปู่มั่นผู้ที่เคยภาวนาอะไรเช่นเคยภาวนาพุทโธก็ภาวนาแต่พุทโธให้เห็นคุณในขณะ น, นั้นเสียก่อนถ้าจะภาวนาเมตตาก็ให้ภาวนาแต่เมตรตาให้เห็นคุณในขณะ น, นั้นเชียก่อน ถ้าจะภาวนาลมหายใจเข้าออกก็ภาวนาตั้งปิดลมหายใจเข้าออกให้เห็นคุณในชั้นั้นเชี่ยปอดแล้วแต่สะดวกในกรรมฐ า, านทั้งสี่ชิพห้ อ, องหรือจะพิจนารณาความตายเป็นอารมณ์ก็ต า, ามก็ขอให้เห็นคุณในชั้นนั้นเห็นรถเห็นชาติในชั้นัน้นเชี่ยปอด ตอนข้อวัดปฏิบัติทีก็เป็นข้อสําคัญอยู่ข้อวัดปฏิบัติภายนอกซึ่งจัดเข้าในศีลวัดเรื่องเสนาธนาวัดก็จัดเข้าในศีลวัดก็จัดเข้าในหมวดศีลเช่นจีวรวัดก็จัดเข้าในหมวดศีลการตุกัด ก็จัดเข้าในหมวดศีลเลข จ, จวัดก็จัดเข้าในหมวดช่วงที่ถ่ายเสนาสนาวัดเป็นต้นว่ากวาดนานวัดก็จัดเข้าในหมวดศีลวัดอีกเหมือนกันเตินขึ้นมาเวลาเช้า ต้องหัดให้ตื่นปีสามหัดให้หลับในระหว่าง4ีุ่มขึ้นไปอยาลับก่อนสามทุ่มเว้นไว้แต่แกป่วยหรือเว้นไว้แต่มีเหตุคัดข้องบางกรณีเวลาก่อนจะนอนให้กราบพระ สวดมนต์งเงียบจะสวดน้อยหรือสวดมากก็แล้วแต่เหตุการณ์ของเจ้าตัวอย่าให้กระทบกระเทือนผู้อื่นในการสวดมนต์ผู้ปัจจิบัติอยู่ใกล้กันเมื่อสวดมนต์แล้วกราบพระแล้วจะนั่งภาวนาก็ตามจะเดินจงกมก็ตามแล้วแต่ พยายามยาให้หลับก่อนสี่ทุ่มเว้นไวแต่ไม่เหตุจําเป็นเก็บป่วยหรือไม่เหตุจําเป็นบางสิ่งและยาให้ตื่นหลังตีสามตีสี่ไปเว้นไวแต่เก็บป่วยหรือมีการจําเป็นอันใดอันหนึ่งการนอนนอนตะแคงข้างขวา ถ้าหากว่าเหนื่อยก็พิกไปทางอื่นได้เคยภาวนายัางไงก็ต้องภาวนาอย่างนั้นให้ติดต่ออยู่เคยบริกรรมอย่างไรก็บริกรรมอย่างนั้นให้ติดต่ อ, อพอตื่นขึ้นมาแล้วในเวลาเช้าถ้ามีครูบาอาจารย์อยู่ด้วยพอได้เวลาแล้วก็เก็บสิ่งเก็บของลงไป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 ก็ภาวนาไปไม่จำเป็นก็ต้องไม่ไม่ต้องคุยกันเวลากลับกลมงั้นกันเวลาเตรียมฉันกลับมาแล้วก็ฉันในบาทรวมกันทั้งหวานทั้งขาวด้วยและพิจารณาาในอาหาร ในเวลาที่รวมลงในบาทว่าเราฉันเพื่อบำรุงกิเลสหรือเราฉันเพื่อปฏิบัติทำเท่าที่ควรเพื่อคนทุกข์ในวัตฏสงสารก็ถามตนให้คัดเทียก่อนเราฉันเพื่อบรรเทาความหิวท่านั้นม่าในวังเพื่อจะให้อ้วนให้ปรีหรือให้ ร่างกายแข็งแรงเหมือนนักกล่ํานักมวยไห้ชั้นเพื่อเล่นไห้ชันเพื่อปาร์นาให้ร่างกายอ้วนเพื่อให้ระงับความหิวไม่ให้กำเริบเพื่อจะได้ประพฤติธรรมจันทร์คนทุกในวัชชะองสารทางองน้อมไปอย่างนั้นเวลาฉันเสร็จแล้วก็ร่างมาให้ดีส่วนได้ชันน้อยฉันมาก นอยู่กับความพอดีของตนเองถ้าเราชันน้อยเกินไปมันหิวจัดเราภาวนามันได้ความยังไงพอสังเกตตนให้รู้จักถ้าเราชันมากเราภาวนาได้ความยังไงถ้าเราถ้าถ้าเราชันพอดีเราภาวนาได้ความยัง ไ, ไงไก็ต้องให้รู้จักในตน ที่นี่เก็บของมาในที่พักเรียบร้อยตลอดถึงของครูบาอาจารย์ดุจจัดเก็บของในเสนาสนะให้เรียบร้อยปักกวาดให้ดีแล้วไม่มีธุระจำเป็นเล่นว้แต่ธุระจำเป็นก็ภาวนาทีต่ต่อของตนจะยืนจะเดินจะนั่ ง, จ ะ, งจะนอนก็แล้วแต่สะดวกคำา่านอนน้อยพวมานอนไม่หลับพอถึง บ่ายสามโมงตอนกลางวันเราวก็กวาดลานวัดการกวาดลานวัดนั้นก็นึกบริกรรมภาวนาอยู่ด้วยเหมือนกันพร้อมกับเวลา ก, กวาดเคยภาวนาอะไรก็บริกรรมภาวนาอยู่อย่างนั้นติดต่อกันอยู่ ถ้าหากว่ามีมือมีเพื่อนอยู่ด้วยหรือมีครูบาอาจารย์ที่เราข อ, อนิสัยอยู่ข้วัดทั้งหลายเราก็เอาตามธรรมเนียมขององค์ท่านเล่นไว้แต่เราไม่ชอบองค์ท่านเราก็ไม่อยู่กับองค์ท่านแล้วก็ต้องหนีถ้าหากว่าเราไปอยู่คนเดียว ไปมีเรกก็ทําอย่างนี้เหมือนกันข้อวัดอย่าให้ขาดการปรัดกวาดกานวัดหรือเสนาสนะที่เราอยู่เราอาศัยจะมีน้อยกท็ทําตามน้อยจะมีมากก็ทําตามมากของที่มันกว้างและแคบจะเป็นไม่ได้การชั้นในบาทก็เป็นไม่ได้เป็นไหวแต่จะป่วยนอนคาที่ไปไม่ไหวถึงแม้จะนอนคาที่ไปไม่ไหวก็ชั้นหนเดียวเท่านั้น สมมุติว่าเวลาป่วยวันนี้ฉันอาหารได้สองสาเมื่ออยู่กับหมู่ถ้าเราจะปฏิบัติเราจะไม่ไปฉันอาหารหรือเราจะไม่ไปทำข้อวัดอะไรอันเหมือนกับหมู่ก็ต้องแจ้งให้ครูบาอาจารย์และหมูเพื่อนทราบจึงไม่กะทบกระเทือน ถ้าเราไม่ไม่แก้ให้ซาองท่านทัน้งหลายในพิสุทัสมาเน น, นก็ไม่รู้จักความประสงค์ของเราเราอยากไปก็ไปเราอยากอยู่ก็อ ย, อยู่ไม่มีประมาณอย่างนั้นก็ไม่ถูกต้องให้รู้จักความหมายของการต้อแก้งต่อกันถ้าเราจากวันนี้ผมจะปฏิบัติผมจะภาวนาผมจะมาเปบิณฑ บ, บาดผมจะลองดูเข้อวัดทุกสิ่งทุกอย่างผมคอ้าเอาไปต่อครูบาอาจารย์และมิตเพื่อนขอให้ผมเก็บตัวภาวนา ช่างหวาเถื่ อ, อแต่เราก็ต้องภาวนาจริงแต่เราพูดจะปาแต่ไม่ทำไปรอบนอนเสียอย่างนี้มันก็ไม่ถูกทําท่าเป็นผู้ปฏิบัติแต่ว่ารับตาเพื่อนไปนอนเสียแต่อาอาหารนั่นอดดูพอวัดเพราะขี้เกียจมาทำขวบวัดกระหมู่แต่อดอาหารเอา แบบนี้ก็ไม่ถูกต้องทำความเปลี่ยนจริงตามจะตีกำลังของเราเท่าที่เราเคยภาวนามาการปฏิบัติมันต้องปฏิบัติตามพ่อคอตามครู จึงเป็นสิทธิที่มีครูไม่ใช่สิทธิอัตโนมัติครบหาท่านผู้ปฏิบัติมาแล้วเคยได้ผลมาแล้วก่อนที่จะเข้าไปหาครูบาอายการจะไปอยู่กับท่านองไหนก็เหมือนกัน เราต้องสังเกตถ้าว่าอง์ท่านมีลาบมากราบก็เกิดมาด้วยการเป็นธรรมหรือไม่หรือเกิดมาด้วยวิธีไหนแล้วก็ต้องต้องสังเกตให้ชัดราบไม่มีแก่ท่านแต่การปฏิบัติของท่านเป็นธรรมอยู่ ถ้าเราอาจจะเป็นด้วยอานิสงของท่านโดยชาติบางก่อนอันนี้เราก็ต้องต้องสังเกตให้ชัดเราจรึงจะวางตัวถูกจึงจะไม่เดือดร้อนจิตใจของเราคูา้วาอาจารย์ผู้เป็นหัวหน้า้าเราปฏิบัติอยู่ท่านปฏิบัติเพื่อผนทุกจริงหรือ หรือเพียงเพื่อเอาคำพูดมาหลอกคนเฉยๆพอให้คนในเลื่อมใสพอเป็นทางโกหกเก่าหรือโกหกเพื่อนจิ่งแล้วนี่ขึ้นอยู่กับภาดพจนของเราที่จะสังเกตอีกเหมือนกันถ้าอย่างนั้นการปฏิบัติของเราก็ไม่สนิท เกี่ยวกับเพราะเกี่ยวกันกับกันกับบุคระสัะยะส่วนเสนาสนะจะสัพยะหรือไม่สัพยะบ้างแต่ว่าทางธรรมะสะดวกก็อุสาหได้เสนาสนะและบุคคลจะสะดวกสักเพียงไหนก็ตาม แต่ด้วภาวนาไม่ดูดก็ลำบากเหมือนกันเสืาอนอาณและการไปมาจะอัตจจคัดบ้างกว่าตามแต่ภาวนาสะดวกก็พอสู้จะรู้หรืในปัจจัยสีสักเพียงไหนถ้าภาวนาไม่สะดวก ไม่เป็นที่สบายของภาวนาอย่างนี้ก็ลําบากเหมือนกันไปยากการอดทนเป็นตะบะเผากิเลสของนักตากการอดทนการเพียรมิตีเยตุธรรมะเจติติการอดทน และความเพียรเป็นของสำคัญไม่หนีจากการอดทนและเพียรไปได้ถ้าเพียรในทางที่ชอบถ้าอดทนในทางที่ชอบเพียรในทางที่ชอบคือเพียรเพื่อพ้นทุกในวัฏสงสารอดทนที่ชอบคืออดทนเพื่อปฏิบัติพนทุกในวัฏสงสาร เราไม่ปฏิบัติเพื่อหวังอามิตร์เราปฏิบัติเพื่อพันทุก์ในวัฏจักรสงสารโดยท่องแท้จริงหรือไม่จริงต้องถามเราให้รัดเพราะไม่มีใครมาเป็นพยานให้เราต้องเป็นพยานเราเอง เราไม่ปฏิบัติตามโลกาทิปไตยเราปฏิบัติตามธรร ม, มาทิปไตยคือหวังคนทุกข์ในวัฏตาทรสงสารเราไม่ปฏิบัติตามอัตโนมัติของเราเรียกว่าอัตสสาธิปไตยเราเห็นภัยในวัฏจักรสงสารอย่างเต็มที่เราจึงจะพอใจปฏิบัติอย่างเต็มที่ ถ้าเราไม่เห็นภัยในวัฏสงสารอย่างเต็มที่เราก็ไม่พอยใจปฏิบัติอย่างเต็มที่เพราะมันไม่เป็นเครื่องดึงดูดกันเมื่อเห็นภัยในวัฏสงสารอย่างเต็มที่แล้วการปฏิบัติของเราก็มาได้ไม่ติดเพื่อเป็นของหนัก ถ้าหากว่าเราไม่เห็นภายในวตาสงสารอย่างเต็มที่การปฏิบัติของเราก็เป็นของหนักไม่ว่าผู้ปฏิบัติใหม่ปฏิบัติเก่าแล้วเป็นของหนักทั้งนั้นความเชื่อในพระพุทธธรรมพระสงฆ์ด้วยมีสติปัญญาอันประกอบไม่ใช่เชื่อตามตื่นข่าว ความเชื่อความเรื่อมใสในการปฏิบัติเกรื่องพันธุ์เป็นของสำคัญมากก็คือเรื่มใสในพระธรรมประสงค์นั่นเองเห็นภคยในวัฏสักรสสารอยู่ทุกลมการยิ่งดีมากการปฏิบัติเป็นของเบาถ้าหากว่ามีความเห็นว่า คำว่าสุขในวัฏสงสารี่มันเป็นสุขปลอมเป็นสุขปลอกปลวงเป็นสุขไม่จริงเป็นสุขที่โปล่หกตนแก่ยางเต็มที่ก็เก็บอย่างเต็มที่ก็ตาย่างเต็มที่ เราจะตั้งใจปฏิบัติเพื่อเสียหลาดในวัจจาศงสารการปฏิบัติของเราก็เบาจิตเบาใจความเชื่อถือชนิดนี้ไม่ขบคืนถ้าว่าความเชื่อถือไม่ถึงขนาดนั้นแล้วขบคืนเพราะยังมีหวังในโลกในสงสารอยู่ว่าเราจะทำอันนั้นมันจะเป็นสุขเราจะทำอันนี้มันจะเป็นสุขเราจะไปหาเงินไหล น, นั้นมันจะเป็นสุข เราจะมีราบมียศอย่างนี้มันจะเป็นจุกเรามีทรัพย์ถิ่นเงินทองมากมามากมันจะเป็นจุกถ้าเรานึกไปอย่างนั้นแล้วการปฏิบัติเป็นของผืดถ้าเราเห็นว่าอะไรอะไรในโลกในท้องส้านี่ไม่มีแกนชานเทียแล้วไม่มีใครเป็นเจ้าเป็นจอมไม่อยู่ในอำนาจว่าชนะนของใคร เป็นของว่างเป็นของสูญเปล่านั่นดะอยู่ในอำนาจว่าชนะของผู้ใดแต่สลายไปทางนั้นดินไปเป็นดินน้ําไปเป็นน้ําไฟไปเป็นไฟลมไปเป็นลมอยู่ตามเดิมแล้วเกิดขึ้นอีกแปกป่วนลงอีกอยู่อย่างนั้นไม่รู้ว่าขี่รอบขี่ั้างไม่มีเบื้องต้นเบื้องปลายในทางวัตถุนิยมถ้าเราเห็นอย่างนั้นแล้วจิตใจของเราก็นิสนามโอนไปเอ็นไปในทางที่จะรุ่นพ้นในวัตาสงสาร การปฏิบัติของเราก็เป็นการเบาไม่ถือว่าเป็นของลําบากเมื่อไม่เสียดายอะไรในภาพพจน์ที่นึกขึ้นจะวิ่งไปตามวัถุนิยมเลยเมื่อจิตใจไม่วิ่งไปตามวัถุนิยมไม่เอาวัถุนิยมทางอื่นเป็นสนันังคัดฉามิเป็นเจ้าขัวใจแล้วการปฏิบัต ก็เป็นของพอใจด้วยก็เป็นของเบาใจด้วยก็เป็นของที่มีศรัท ธ, ธาด้วยนอกจากเพศอื่นๆนอกจากเพศนี้แล้เพศอื่นๆจะปฏิบัติพระพุทธศาสนาได้โดยง่ายเป็นได้มีเลยมีแต่เพศที่สุสัมเณีแล้เขาไม่ดีเท่านั้นจะปฏิบัติง่ายโดยสะดวก ั้ากิจการมันน้อยมาขอคนอื่นกินถ้าเราหากว่าการปฏิบัติธรรมะนี่ไม่ใช่ที่คูอสมณี น, เ, นเราก็ปฏิบัติได้ถ้าเราเสียดายและอะไรในเพศอืนอ่นๆอยู่ <_ labeled> เมื่อเรามานุ่งเหลืองแล้วความเห็นชริษนั้นจะทำให้เราต่ำลง เล่นไหวแต่พวกเขาสิยังไม่มาบวชผู้ที่บวชแล้วถ้าไปนึกเียนอย่างนั้นแล้วทําชีวิตของตนให้เป็นมันอีกด้วยให้ตาลงอีกด้วยให้ละอาอีกด้วยให้พักเทียนอีกด้วยให้ไมายในอนาคตอีกด้วย ไม่ยินดีจ้องมาในปัจจุบันส่วนชีวิตของเราไม่ได้มุ่งว่าอาดีตอนาคตอะไรคาหมายของเราต่างหาถ้าหากว่าเราปฏิเสธว่าในโลกนี้นะทั้งโลกอดีตด้วยโลกอนาคตด้วยโลกปัจจุบันด้วยเต็มไปด้วยลุมทานเธิงมีแต่กองทุกข์เท่านั้น ไม่มีอะไรมาเป็นแกนชานที่นี่ความยินดีในทางอื่นนอกกาศสมัพเพศก็ไม่มีแคแล้วถ้าความเห็นเป็นอย่างนั้นก็ยินดีในสมณพเพศของเราเมื่อยินดีในสมณพเพศของเราเราก็ยินดีตั้งใจพิจารณาทำที่จะพึงได้พึงถึงของเราอยู่เต่นนั้น ควสั่โดดก็มีมาเองไม่ต้องไปข่มคอมันเพราะมันเห็นไทยในวัฏองสารอย่างเต็มที่แล้วมันก็ต้องสั่โดดตามได้ตามมีที่มาโดยบริสุทธิ์มันไม่ก่อไม่ตะเกียกตะกายเกินไปมีมาทอะไรมันก็ใช่ตามเรื่องของมันตามบริสุทธิ์ที่ได้มา เราออกไปนี่เราจะทำอย่างนั้นเราจะทำอย่างนี้เห็นจะดีถ้าเรานึกอย่างนั้นแต่ว่าศรัทธาของเราถอยแล้วปฏิบัติลาบากค่ายกับว่าเราเตรียมตัวจะจุดเรือนทิ้งจะจุดเรือนของตนทิ้เงตเตรียมตัวจะกระโดดลงหิว ถ้าเรานึกอย่างนั้นการปฏิบัติของเราไม่ปฏิบัติเพื่อแข่งขันกับคนอื่นเราจะแข่งขันกับโรคโกรธหลงของเราที่ท่องเที่ยวมาในวัตาทองสารให้ชนะกันลงในชาตินี้ถ้ารนึกอย่างนั้นไมเไ็้นึกว่าในชาติอนาคตอะไรต่ออะไรดอก ปัจจุบันนจิตปัจจุบันนธรรมอันใดที่รุดท้นนะครับขอบขอจงรู้ตามเป็นจริงปฏิบัติตามเป็นจริงหุดพ้นตามเป็นจริงอยู่ทุกเมื่อเทินมีความหมายเท่านั้นในเนรวังในชาหน้าพบหน้าดอกถ้าจิตใจเป็นอย่างนั้นแล้วไม่ถอยหลังไม่โกหกตนด้วยไม่ทําความนัดใจให้ตนด้วย ทำความความเบาใจให้ตนถ้าหากว่าไม่ลงถึงขนาดนั้นแล้วจะทำความหนักใจให้ตนอนเนกปริยายนั่จะแก้ปัญหาของตนไม่มีทางตกด้วยจะหนักปัญหาไปทางหน้าอีกปัญหาของทุกจะสอดมาทุกกรณี ปัญหาที่จะปล่อยจะวางมีน้อยปัญหาที่จะดับทุกข์ก็มีน้อยนี่แต่จะเพิ่มทุกข์ทวีในทางจิตใจข้อวัดของหลวงปู่มัน่นในยุคบัานนอกเป็นปฏิปทาที่ไม่จืดจางเป็นยุคสุดท้ายข้างมีกุรลบุตรเข้าไปศึกษามาด้วย ท่านอทอดสะพานอนุชนรุ่นหลังอย่าง เ, เดียวเหมือนท่านเป็นหนุ่มเฉพาะฉันอาหารหวานข้าวจิงใดๆก็ตามท่านอารงในบาทหมดมม่ไว้แต่นมและโอวันตินเท่านั้นนมและโอวันตินสมาเนเอนผสมกันแล้ว ก็อยู่ในระหว่างสามกลืนท่านละท่านฉันมีประมาณท่านก็เอาสายแก้วตั้งไว้พอชั้นอาหารเสร็จแล้วท่านก็ดื่มโอวันตินประมาณสามกลืนทนะฮะก็ เ, เป็นการแล้วไปตอนกลางเที่ยว ซึงแม่ท่านจะป่วยสักเพียงไรท่านก็ไม่ฉันแม่นํมามะพร้าวท่านก็ไม่ฉันปฏิปทาของหลวงปู่มั่นเป็นปฏิปทาที่เด็ดเดี๋ยวมากในคีว่าประวัติของหลวงปู่มหาที่องค์ท่านทำที่ท่านองค์ท่านเขียนขึ้น ท่นเป็นผู้เชาาีาญท่านไม่เขียนหมดเขียนแต่ขนาดกลางขนาดเด็กเดี่ยวแท้ๆท่านไม่เขียนเลยเพราะเหตุใดเพราะเป็นจะกระทบกระเทือนในโลกปัจจุบันถึงแม้อย่างนั้นก็ยังกระทบกระเทือนอยู่ปฏิปทาใดเพื่อจะค้นทุกนายวัตถ์ทั้งสาร หลวงปู่มันจึงเอามาเอย่ยให้ลูกๆหลาน ๆ, ๆฟังวิชาตกกระเป๋าวิทาวิิชาเทศเพื่อหาชะตังอุบายลลกตื้นไม่มีในองค์ท่านขอแสดงให้เห็นว่าปฏิปทาขององค์ท่าน ไม่หวังเพื่อปัจจัยสี่เลยหวังหลุดหวังผลหวังผลโดยส่วนเดียวห่อห่อหันหันแต่ในทางที่จะหลุดจะพ้นแกลุกลุกลนหลานไม่ให้นอนใจปฏิปทาเกี่ยวกับหาลายได้ในวัดในวาโด้วยอบายลึกตื้นไม่มีในองค์ท่าน สิยศาสตร์ใดๆไม่มีในองค์ท่านกระตุดพิษสมอนไม่มีที่ทรงพระอนุญาตอย่างฝุดๆก็น้ำมนเท่านั้นถ้ามีผู้มาข อ, อน้ำมนตท่านก็เทศเสียก่อนท่านเึงเอาน้ำมนตให้เขาลูกๆหลานๆจิตใจลูกๆหลานๆไม่ถึงพระพุทธธรรมผะสงฆ์ จะมารดน้าภายนอกมันก็เป็นไปไม่ได้ลูกๆและหลา น, ลานเอ้ยน้ำอันนี้เป็นน้ำขอเชื้อเชิญและนิมนต์ให้ลูกๆหลานๆถึงพุทธธรรมสงฆ์จะถือว่าน้ำอันนี้เป็นของขังจะขังหรือไม่ขังก็อยู่กับความประพฤติของพวกลูกหลานนั่นเอ ง, เองทั้งจำสอนไปอย่างนั้น วิชาพุทธาพิเศษไม่มีในปฏิปทาขององค์ท่านท่านบอกว่าพิเศษให้ท่านเป็นอะไรท่านเป็นพอแล้ววิชาปลุกรูปพระเล็กพ้าน้อยให้ตื่นขึ้นก็ไม่มีในองค์ท่านเพราะท่านคือว่าท่านตื่นแล้ว ท่านเข้าสู่ขันิพพานแล้วยังเหลือแต่วพวกเรานั่นเองนอนหลับอยู่ท่านพูดอย่างนี้จะไปพุกให้ท่านเป็นยังไงมันจะเป็นบาปท่านพูดอย่างนี้ที่นี่วิชาบวชพระพุทธรูปก็ไม่มีในปฏิปทาขององค์ท่านบวชไปแทะหูแทะตาแทะหูแทะตาให้พระพุทธรูปหรือบวชให้พระพุทธรูป ท่านว่าเป็นลัทธิที่บาปเป็นลัทธิของเกกิจอาการภายหลังผู้ที่เข้าไม่ถึงธรรมทาพิธีไปบวชให้พระพุทธรูปสมมุติว่าเป็นพระพุทธรูปแล้วก็ก็เสีสิื่นกันไม่มีการจะทําพิธีบวชทีเเ่เษด็จอะไรท่านพูดอย่างนี้จะเขียนจะวาดประามจะทําด้วยไม้ด้วยอิฐด้วยปูดหรืออะไรเท่าที่ชัชตามีก็ตาม แต่ว่าทําเป็นรูปแล้วพอเป็นพระพุทธรูปจมภูมิเชีแล้วไม่ต้องไปหาอบายเสดไม่ต้องไปหาอบายแค่หนแค่ตาขององค์ท่านมันบาปจะไปบวชให้ท่านยังไงท่านบวชก่อนพวกเราแล้วเราดียังไงจึงไปบวชให้ท่านท่านพูดอย่างนี้ท่าไม่ส่งเสริมเสียเลยศิยศาสตร์ไม่มี ไม่มีแกมปฏิปทาของของท่านเรื่องชาประนิกิจศพก็เหมือนกันสำหรับพระท่รมฐานท่านมาให้รอชาติพระบรมศ า, ศาษษษสดาก็รอเพียงเก็บวันนั้นพระคอยพระมหากระชัปักถึงอย่างนั่นก็ไม่ใช่ มัติของพระพิทุงสงฆ์และชาวภูุงคุชินาราเป็นวัติของเทวดามาในทิศทั้งสีตางหากที่บรรดาไม่ให้ไฟจิตจึงได้รอไว้ถึงเจ็ดวันก็พ อ, อดีพระมหาตาจปัปมาแต่พวกเราจะรอกันทำไม ท่าูอย่างนราคอยเามหากัรฉินหรือสานพูดอย่างนี้หรือเราคอยเอาตังเขาท่านพูดนะแลวบวชมหาตังหรือยอยวุฒิลาของพวกเราก็มีแล้วเราเรียนกันแล้วเราจะว่ายังไงให้ทัานพอวาดเนี้ยนี่เมื่อเวลาเราไปเป็นทนาย เราก็มีบาตมีสิททุกคนแล้วเราจะคอยกินอะไรกับท่านผู้ตายท่านก็ละคาวาดมาแล้วก็มีแต่บริการแต่เหมือนพวกเราจะคอยกินอะไรกับท่านจะคอยเอาอะไรกับท่านอีกผู้ที่ท่านหลวงรับไปเรามีหน้าที่แล้วก็พายาภายโยทำชาพระิกิตโดยด่วน เอาวอึกทึกไม่ดีเสียสมาธิสมาบัติเสียปฏิปทาในวัดเชตตะวันมหาวิหารถูกเพราะพระอยู่ประจำวันไม่ขาดและทัางพุทธองค์และทําพุทธการถ้าหาว่าเก็บไว้ก็ไม่มีคนดังที่จะใส่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 จะใกล้เคียงอยู่ก็หลวงปู่มหาแสนแต่หลวงปู่มหามีโยมมากนักโยมหนักทั้งพระภิกษุนักทั้งแฉะพระนักทั้งแฉะโยมหลวงปู่มหาหลวงปู่มั่นหนักแฉะแฉะพระแฉะโยมไม่หนักในสมัย 2,492 ่องแปด้อ้อนรของท่านระหว่างนั้นก็มีโยมตามคิดมาทำบุญร่วมองค์ทานก็มีนางเนี้ยหงโคะแทะแทะโคะกระดาษตรดาษสีดาถนนบอยจับ ภูเกรับลูกชายหายทุพจน์รับนายวันค ม, มานามมลจังหวัดนครราชสีมาะนะส่วนทางจังหวัดน้องคายก็มีคนหนึ่งจังหวัดสะคนคนรก็มีโยมนุ่ม แล้วก็มีอุดรบ้างมาตามสายท่านจะคุณธรมกีดีทีนี้พวกเชาวโลกตือร่นกับพระกรรมฐานสมัยุะวันนี้ก็หลังจากตกหลวงปู่บานมานี่ับนอกจากนั้นพระกรรมฐานก็ร่วมมีภาก็อยู่กัน แบยบ่เยี่ยมไม่มีใครตื่นเฉ่นเดิมกญาโยมหรือฝ่ายฝพกวพอดีแต่ว่าด้าจิตใจภายในของท่านเด่นไปชุ่มหรือไปชุ่มไปชุมกันที่ไหนก็สาวเรื่องสมาธิสมาบัติสา ว, วที่สมถุสักวันกัน ยินดีในนี้ยินดีในส่านยินดีสัมัารสักส่วนกันพุกจิตพุกใจใครแต่ทุกวันนี้คงอันข้าม้วใครอยู่ที่ไหนวัดสักเก่าเรื่องวีวันิษฐาศาสนาขนะดนี้นที่สเป็นส่วนมากที่นั่นรู้นะ ที่นั่นครับแค่ที่นั่นสบายดีในเรื่องปัจจัยสีแต่ก่อนอศัศจรร์มากแต่ข้อวัดเด่นช่องพันศีลแตสทีแปดแต็ทเก้าก็เก้าที่เจ็็ทีสอง เขาเป็นพระสงที่อยู่ในวัดขององท่าน็มียเดือปีแรกที่เจ็ดสิบแปดโอมจำพรรษาก็บอกไม้ไผ่ทำกระดวนพปเจ็บอาหารนี่เก็บตั้งได้ชะลาเขาเป็นสลาฟ้าเดินขบขุกขบเ ข, ข้าที่ของตอนเนี้น เ, นเก็บแล้วเก็บตั้งกระดวนขึ้นได้ เวลท่านอยู่ท่านไม่ในการพูดแ่เลยหลวปู่มันคําเดียวก็ไม่พูดคืนทําเข้าแค่ก่อนจนพูดท่านก็ไม่พูดไม่ไม่ใช่เวลาจะพูดจะพูดนะถ้าเป็สูขบางองค์ท่านก็ภาวนาอยู่เราอยากจะพูดอะไรก็พูดพยายามมาเผยใจของเราท่านก็ขัดขวางต่อผู้ภาวน า, านอากาศลบอย่างนี้ ในเวลาที่คระสุสัมเนยยังไม่ทันลงเลยฉันหรือยังไม่เสร็จท่านก็ยังไม่ฉันปฏิปทาของท่านท่านจ้องรอต้องต้องรอเชี่ยก่อนเวลาท่านท่านท่านอิ่มแล้วท่านก็ไม่หยุดตักท่านลุกเลยท่านก็ทันไม่ทันท่านก่อนอา้าเช้าขอนล่ะ ตอนนี้แยกออกปราเพียวแล้วเกินไม่อึดอาดนั้นพวกเราทุกวันนี้เวลาล่างบาตรถ้ากุศลงไปล่างบาตรก็ได้ยินเสียงล่างบาตรตลอดถึงจะทำบาให้กลุ้งกลุงกลุ้งลุงกลุ ง, ง, ง, ง, ง, งอย่างนี้ก็ไม่ทำ พขาเชิดแก่รับของใครของมาไม่พอมเพือ่อโยนขององค์ท่านมาว่าเขาเงียบสัดเขาไม่ได้คุยกันเหมือนพวกเราเนี่ยแต่เขาก็ไม่็ตั้งหน้าว่าจะมารับอาหารในวัดสวนโยมมา ของพระเข า, เขาเจะไปรับทานกระทอมเียกๆของเขาตาวารเขาไม่มารับทานในในชราที่พระสงอยู่เงียบที่สุดข้อวัดอันนี้เป็นข้อวัดสำคัญที่สุด พอรักสงบคนมาต่างทิดพอมาถึงเช่นเขามานอนข้างคืนทำมบุญอย่างนี้เขาก็ไปนอนที่ไหนไม่ทราบเขาไม่มายุงในวัดพอตื่นเช้ามาเขาก็จึงมาใส่บาตรพระหรือมีอานารนอะไรเขาก็เอามามีสิ่งที่จะบังสกุูเขาก็เอามาแต่ทุกวันนี้มันโกงกัินข้ามใช่แล้ว ถ้าให้เขานอนอยู่ไม่มีที่อาศัยก็ไม่ได้อีกเพราะโจรผู้ร้ายมาันมากข้าพิสุต้องรู้จักว่าเขาพักที่ไหนเขาอยู่ที่ไหนจะปลอดภัยหรือ ไ, ไ อ, อไม่ต้องอับชับเขาจะปล่อดไม่ต้องหรอกเพราะโจรผู้ร้ายไม่มีเขาจะพักที่ไหนก็ได้สะดวกไม่มีจีนไม่มีรุ่นในระหว่างสองพันสี่รแปดสิบแดแปดสิบเก้าเก้าสิเกสิบกสิบสองกสามนะ หรือหลังไปกว่านั้นก็เหมือนกันอยู่คำบลวงปูมั่นแต่ก่อนอยู่แบบโชกโซนหนักเหมือนกันแต่ว่าเบาหนักแต่หากว่าเบาเขาเหตุใดเพราะเราหวังดีเช่นหลวงปู่มหาเป็นเมือขวาของของท่านในสมัยนั้นพวกผมก็ไม่ได้ให้ท่านตักน้าเนาะเช่นขนฟืนอย่างนี้พวกผมก็ไม่ได้ให้ คงท่านทำเป็นจะเพียงท่านควบคุมมืออยู่สมอๆไม่ได้ขาดเวลาทักหน้าท่านก็ไปถึงนําบ่อท่านชังเกต ด, ด้วยว่าบ่อพระขอพระคอพ ร, ระงอกตรงไหนมาบ้างตรงไหนทําจริงบ้างตรงไหนไม่ทําท่านต้องประกวดดูเสมอๆตลอดทั้งในเวลาทํความวัดของหลวงปู่มัน ท่านไม่ได้มาทำหรอกแต่ท่านหนักในเรื่องอื่นนักในเรื่องออกหัวคิดพวดคุมโม่เพื่อให้เป็นที่สะดวกสบายห้องหลวงปู่เพราะเป็นเมืองหวาของท่านผมเองหลวงปู่มากทีับหลวงปู่มาหาได้สั่งสอน เสมอกันสิ่งไหนที่ผมไม่เข้าใจผมมาถามองค์ท่านมากับเรียนองค์ท่านที่โสูหนึ่งท่านก็บอกว่าหมายความอย่างไหมายความอย่างนี้ถ้าคุณของสองพระ อ, องค์นี้กับผมต้องลงเก้าลงขมอแต่องค์อื่นท่านก็ดีวิเศษอยู่ จะพบไม่ได้พ่ อ, อยู่กับองค์ท่านนานเช่นหลวงปู่ฝันก็ดีไม่ได้พ่ อ, อยู่กับองค์ท่านนานเลืนเที่ยงได้เจอได้พบดาดเียนท่า น, นแม่แย่ท่านมาเหยี่ยมหลวงปู่เท่านั้นไม่ได้ไปนอนข้ามคืนในวัดขององค์ท่านและมาได้อยู่พอเก็บวันกับองค์ท่าน หลวงปูเทศได้อยู่พรรษานั้นพรรษาาที่สองก็อยู่กับท่านในจังเรียนสมปีปีหนึ่งอยู่กับหลวงปูเทสสองปีงอยู่กับท่านในจังเรียนแล้วประกัศมาทางดีสารเรื่องปฏิปทาใดที่จะเป็นทาง ออกโลกออกน้สตาลหวงปู่มั่นนำมากล่าวนำมาเตือนพิสุทสมณีเหมือบอกจึงกลงกับคำภีวิสุทธิมัทบอกว่าชิ่งไหนจะเป็นเครื่องหนายเป็นเครื่องคลาย เ, เครื่องพ่นถ้าพิสุสธิสมณนปวงคนทุกจงชวนกันพูดจงชวนกันสนทนาจงชวนกันสนใจเถิด อย่าไปพูดเรื่องโลกเรื่องสงสารมากเพราะเป็นกิริยาฐานนักธรเรามาพิจารณาดูแล้วหลวงปู่มั่นทำถูกพระเมรัยจริงไม่มีผิดมองคืนดูข้างหลังในยุคเพียงหลวงปู่มั่นมานี้ ก็ไม่ถึงพอห้าสิบปีหรือสี่สิบปีในระหว่างสามสิบปีท่ะที่นี่การปฏิบัติของพระมันก็ลบเลือนมาบ้างแล้วที่นี่สองพันห้าร้อยกว่ามาแล้วจากยุค ผมพบร ะ, ะโรระสัสศาตาจะเปลี่ยนแปลงมาสักอย่างไหนเรามาลองคิดดู่พอแล้วแต่ก่อนทันนินฐานได้ความว่าคงเป็นวัดป่านะวัดป่าคำมาวาสีคงจะมีน้อยนะเพราะเหตุใด ขอเหตุสังเกตปัจจุบันในระหว่างสามสิบกว่าปีวัดสุทธวาในระหว่างหลวงปู่มั่นมรณะทรรมก็เป็นวัดป่าเต็มภู ทางบินท่บาทหนึ่งกิโลกว่าๆข้าทุ่งไปริบหรี่ริบหรี่แต่เดียนี้เป็นเมืองหมดแล้ววัดป่าเก่าๆของเหมือนกันที่ี่วัดป่าสารวัน นครราชสีมาตะก่อนก็เป็นวัดป่าเต็มภูมิเดี๋ยวนี้นี่ก็เป็นเมืองหมดแล้วภานในไม่กีป่ปีในยุค ข, ข้ังพุทธกาลวัดป่ากูดาคารป่ามหขาวันก็เป็นวัดป่า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 ลทัทิวันสวนตาลหนุมของพระเจ้าพิมพิสารก็เป็นวัดป่าเต็มภูมอําพักป่าวัดป่าของนางมณิกาก็เป็นวัดป่าเต็มภูมวัดต่างๆในพระไตรปิฎก มีตั้งร้อยตั้งพันตั้งหมื่นที่เขาทำให้ตามภูเขาหลังภูเขาก็มีเพราะในบารีทุกขนทุกแข่งก็บอกว่าให้ยินดีในเซนาสนับป่าเรายินดีในที่สงัดหรือไม่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 ก็บอกให้ยินดีในเซนาสนะป่าอารัญเยทุกขโมงเลวาให้รักชั้นดุทําเราใด้เป็นโปรเป็นไปเพื่อความกํำลัดยอมใจหนึง่งเป็นไปเพื่อความประกอบทุกหนึง่งเป็นไปเพื่อความสะสมกองกิเลสหนึง่งเป็นไปเพื่อความอยากเป็นไม่สนโดยินดี ด้่ยของมีอยู่คือมีนี่แล้อยากได้นั่นหนะึ่งเป็นไปเพื่อความคลุกคลีด้วยหมู่คณะหนะึ่งเป็นไปเพื่อความเกลียข่าหนะึ่งเป็นไปเพื่อความเรียงยากหนะึ่งทำเหล่านั้นไม่เป็นธรรมไม่เป็นวิ น, นัยไม่เป็นคําสั่งสอนของพระบรมาศาสดามีในโคตรมีสูตรทำที่บรรพิตควรพิจารณานหนึงนะ่ง ในส่วนตัวเฉพาะตัวก็มีอยู่สิบอย่างบรรพชิตพึงพิจารณาเนือ ง, งว่ามดนี้เรามีเพศต่างจากเครื่อนแล้วอาการกิริยาใดๆของสมณักเราต้องทำอาการกิริยา น, นั้นสองบรรพชิตควรพริจารณาเมืองว่า ความเลี้ยงชีวิตของเราเหนือตัวอื่นเราควรทำตัวให้เข า, างง่ายสามบรระชิตถึงพิจารณาเมืองว่าอาการกายวายายอย่างอื่นที่เราจะต้องทำให้ดีขึ้นกว่านี้ยังมีอยู่อีกไม่ใช่เพียงเท่านี้สีบ่บรรพชิตถึงพิจารณาเมืองว่าตัวของเราเองตีเตียนตัวเราเองโดยชินได้หรือไม ห้าบรรพชิตพึงพิจารณาเรืองว่าเราจะต้องพัดพลาดจากของรับของเข้าใจทั้งนั้นหกบรรพชิตพึงพิจารณาังเมืองว่าเรามีกรรมเป็นของของตนเราทําดีจับได้ดีเราทําชั่วจักได้ชั่วหกบรรพชิตพึงพิจารณาดังเมืองว่า วันคืนล่วงไปล่วงไปบัดนี้เราทําอะไรอยู่บันพชิตพึงพิจารณาเนืองว่าเรายินดีในที่สงัดหรือไม่บันพชิตพึงพิจารณานเนืองว่าคุณวิเศษของเรามีอยู่หรือไม่ที่เราจะเป็นผู้ไม่เก้อเขิน ในเวลาเพื่อนมันประชิดถามในการภายหลังถ้าหากว่าเราไม่รับขันโดไม่รับยินดีในเชนาสนะป่าหรือไม่พิก่ลาหนังเหนือในส่วนข้อต้นและไม่ปฏิบัติ ด, ด้วยมันประชิดถาม สมาธิสมาบัติหรือการปฏิบัติเราก็เกือขเขินเรก็ตอบไม่ได้ถ้าเราถ้าถ้าเราประพฤติตามนั่นก็เป็นคำโครงอานข้ามแล้วก็ตอบได้ไม่มากก็ต้องน้อยความปฏิบัติเด็ดเดี่ยวมันเป็นเครื่องเหนี่ยวใจของท่านผู้ประพฤติผร้มจันทร์เพื่อคนรทุกในปัจจุบันในชาติ การประพฤติดเดียวจะประพฤติยังไงรับไครใน้อวัดปฏิบัติภาวนาวัดเป็นขอ้อสำคัญมากภาวนาแบ่งออกเป็นสองถ้ามีเกตจำนงประสงค์เพื่ออามิตร ก็เป็นโลกียะภาวนาถ้าภาวนาเพื่อหวังผลทุกข์ในวัฏสงสารก็เป็นโลกุธตธะเจตนาและโลกุธตธะภาวนาแม้อใจิตใจจะไม่ถึงกว่าตามแต่ก็เอื้อมมือถึงแล้วเอือมเจตนาไปถึงแล้ววัะสงสาร ไม่เป็นของง่ายง่ายเรื่องเกิดเรื่องแก่เรื่องเก็บ เ, เ, เ, เ, เรื่องตายมันไม่เป็นของเล็กน้อยเป็นของใหญ่โตแต่ก็หากว่าเป็นของเล็กน้อยของผู้คุ้นเชือ่อเป็นของใหญ่โตโหงฐานของผู้เขียหลาบของพวกหาทางออก ทุกในวัฏสงสารมันจองขาดในขันธ์สันดานของผู้ยังไม่พ้นทุกข์แล้วเมื่้ผู้ที่ยังไม่พ้นทุกข์ในวัฏสงสารจะรู้ตัวว่าทุกข์แล้ไม่รู้ตัวก่อตามแต่ก็เป็นทุกข์อยู่นั่นเองก็ยังไม่พน้นทุกอะไรอะไรในโลกก็ไม่เท่าทุกที่ยังไม่พ้นในวัฏสงสารไม่พ้นจากกิเลส ข, ของตนจะซ้าคันตนมาเป็นสุขตกอย่างไหมก่อตาม ความสำคัญอันนั้นพทำให้จิตเป็นหมันคุกในวัดจ้าสงสารก็มีอยู่สี่ปุ๊ก